แหไม่เอาของจริงมาพูดให้กันฟังออชอบของหลอกหลอกฮะหลอกหลอกปลอเจ้านี่สวยงามดีเนาะอายุถึงเก้าสิบปีถ้ายังสาวอยู่ฮะยัง ห, หน้าตายังสวยอยู่โอ้โหดูแล้วยังสวยงามแต่ในใจึอีกแก่จนพอแรงจะเข้าโรงพอแรงแล้วทำท่าพูดไป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 ให้สั่งสมให้ทำบุญเอาไว้ทำบุญคืออะไรไม่ใช่ว่าจะมาจังหารทุกวันมาทำบุญควักกระเป๋ามาทำบุญทุกวันไม่ใช่อย่างนั้นการทำบุญมีมากหลากหลายถ้าคนมีปัญญาแล้วมีวิธีการทำบุญถึงเยอะแยะไปก่อนหลับก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์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 โลกทั้งหลายเพราะไม่มีกิเลสโลภโกรดหลงในพระไทยของพระองค์เพราะนั้นขาไปฆ่าไปเจ้าขอนอบน้อมพระภู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธทเจ้าพระองค์นั้นนมโมตัสสะปะคะวะตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะปะคะวะตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาแต่นมโมอย่างเดียวนะเอาสินี่แหละอันนั้นก็คือคุณงามความดีเป็นบุญกุศลมหาศาลเพอเพยัง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 จุตินิรพานสวรรค์นิพานสวรรค์ชั้นพรมไปสู่ความพูนงามความดีใจตรงนี้แหละจะไปปฏิสนธิไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆที่จิตใจที่น้อมล้ำลึกถึงคุณงามความดีนี่แหละตัวนี้แหละจะพาไปแต่ส่วนร่างกายของพวกเราเนี่ยเท่าแก่ชรลาไปเรื่อยๆจากนั้นก็ถึงจุดจบจุดจบของชีวิตคืออะไรคือความตายฮะ พอตายเสร็จแล้วเนะี่ยเขาก็ไปเผาไฟทิ้งเขาไปฝังทิ้งแล้วเขาเขาไปบรรจุในหงซุยสุดแท้แต่เขาจะเอาไปแล้วเถอเราจะไปคิดมันเถอะเนี่ยมันตายแล้วจะทำยังไงได้แต่ทางนี้ทางนั้นบางคนก็ไม่อยากจะคิดถึงความตายคิดไม่คิดก็ต้องตายแน่ๆแจะคิดไว้ดีกว่าเพราะพรดพุทธเจ้าต้ัสว่าคิดไว้ดีกว่า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 หมดสภาพตัวเองเอ๊ทาไมขาคิดว่ารถคันนี้ได้มาแล้วคิดว่ามันจะอยู่โช่ฟ้าดินสลายกลับมาตายออกอย่างนี้ทําไมมันตายวะ อ, อันนั้นแปลว่าขนโง่ตั้งอยู่ในความประมาทพระพระุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นสอนลูกศิษย์ของท่านต่อดว่าพวกท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน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 เจ้าของโลกจะไม่ล้มไม่ตายอย่างนั้นจะยึดทุกคนให้เป็นอยู่ในอำนาจของตนเองอย่างนั้น อ, อย่างนั้นมันคิดไม่ถูกนะมันคิดผิดแล้วนะเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วเพราะนั้นเราต้องกว้างขวางมีน้ำใจมีเมตตากับทุกคู่ทุกคนควรจะสงเคราะห์ควรจะมีน้ำใจกับใครเ ม, เมื่อเราเป็นลูก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 แต่เรื่องวันกลับน่าจะคงจะไม่นานแต่วันนี้ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงเขาในมนลหลวงพ่อเทศวันพรุ่งนี้ตอนเย็นหลวงพ่อคงจะได้ลงกรุงเทพนี่แหละภารกิจของหลวงพ่ออย่างว่าดแต่พอไปได้ก็ไปสักต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเท่าแก่ชราไปแล้วก็ต้องหยุดรถมันช่วงไหนที่มันพอจะไปได้ไปไกลขนาดไหน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 วันนั้นกอให้พวกเรานะทําแต่คุณงามความดีอให้พญาโยมพอบานบันทึกใส่แผนทองคําเอาไว้อย่าว่าใครไม่เห็นนะอความชั่วนะกรรมชั่วนะ เ, เราเองเป็นคนเห็นทีแรกจากนั้นก็นนะ่ะกรรมคือการกระทนะําน่ะบันทึกไว้ทุกอ น, นุของแนวความคิดอในความคิดยังไงนะอบันทึกบันทึกไปแล้วเหมือนกับ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 เนี่ยแหละสิ่งเหล่านี้แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายได้คิดนะกรรมชั่วและกรรมดีมันบันทึกอยู่ในใจของพวกเราทุกทกคนนั่นแหละเพราะนั้นให้สั่งสมแต่คุณงามความดีอย่าไปทำกรรมที่มันไม่ดีกรรมชั่วอย่าทำถ้าทำแล้วจะทำให้ตนเองทุกยากเดือดร้อนเมื่อภายหลังรับพร อ, อนุโมทนาให้พร